นิทานไทยคนเป่าคลุยกาลครั้งหนึ่งนานมันแล้วในอาณาจักรที่กว้างใหญ่ยังมีราชาและราชินีซึ่งรักกันอย่างสุดหัวใจปกครองอยู่พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายและมีความสุขในปราสาทของพวกเขา mm hmm. แต่วันหนึ่งราชารู้สึกเบื่อหน่ายและกระสับกระส่ายอย่างมาก เขาต้องการที่จะออกไปข้างนอกเพื่อต่อสู้และทดสอบความแข็งแกร่งของเขาอลิณาที่รักเจ้าจําวันเวลาอันรุ่งโรดในยามที่ข้าออกศึกสู้รบได้ไหมได้สิตอนนั้นน่ะเจ้าช่างกล้าหาญมากๆเลยนะเออตอนนั้นงั้นเหรอแสดงว่าตอนนี้เจ้ามีคิดว่าข้ากล้าหาญแล้วใช่ไหมข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นที่รักข้าคิดว่าเจ้าหนัดช่างเป็นนักรบที่กล้าหาญกว่าผู้ใดในโลกใบนี้ซะอีกข้าก็คิดเช่นนั้น แ่ข้าคิดถึงวันเก่าๆที่ข้าเคยรุ่งโรดวันที่ข้าเคยพิชิตอาณาจักรต่างๆและเหล่านักรพบูยิ่งใหญ่ต่างก้มหัวให้กับอำนาจของข้าเออคือคือว่าเจ้าไม่เคยเอาชนะอาณาจากักรใดเลยนี่และนักรบต่างก็ก้มหัวให้เจ้าอย่างนั้นเหรอข้าจะไม่ได้นะว่าเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ด้วยนะ่ะโอ้อย่าไปใส่ใจเลยข้าแค่พูดไปแบบนั้นแหละข้าอยากจะมีชีวิตเฉกเช่นวันนั้นอีกครั้งจัง เอเอคือถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นข้าก็จะไม่รั้งเจ้าไว้ทําตามที่เจ้าปรารถนาเถอะแต่ได้โปลดกลับมาอย่างปลอดภัยข้าคิดถึงเจ้ามากโอ้ข้าจะกลับมาให้เร็วที่สุดที่รักในไม่ชา้าราชาก็รวบรวมไพร่พลทหารและสั่งให้พวกเขาทําสงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงข้าเคยได้ยินมาว่าราชาที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ชั่วร้ายมากเราจะล้างแค้นให้กับผู้คนในอาณาจักรแห่งนี้และปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระราชาใบาอัน และกองทัพของเขาต่อสู้กับราชาผู้ชั่วร้ายอย่างกล้าหาและดุเดือดในที่สุดราชาไบรอนก็พ่ายแพ้เขาและกองทัพของเขาทั้งหมดกลายเป็นนักโทษในคุกใต้ดินของราชาผู้ชั่วร้ายที่นี่ราชาไบรอนถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายเขาถูกขังไว้เป็นเวลากว่าหลายวันในไม่ช้าเขาก็ซูบผอมและอ่อนแรงลง วันหนึ่งเขาขโมยกระดาษและปากกาขนนกจากทหารยามที่กำลังหลับอยู่และเขียนจดหมายถึงราชินีของเขาอลิณาราชินีของข้าข้าถูกจับขังไว้ในคุกใต้ดินของราชาผู้ชั่วร้ายได้โปรดนำทองอัญมณีและของมีค่าทั้งหมดของพวกเรานำมาเพื่อช่วยข้าจากความทุกนี้ด้วยได้โปรดเร็วเข้านะที่รักราชาหยิบกำไรที่เขาซ่อนไว้ในเสื้อออกมามันมีตราสั ญ, ญลักษณ์ของราชวงศ์ในอาณาจักรของเขาซึ่งทุกคนต่างรู้จัก เขาครอบกําไรลงในจดหมายและโยนมันผ่านรอยแยกของผนังออกไปข้าหวังว่าจะมีคนมาเจอมันและหวังว่าคงไม่ใช่ศัตรูนะกําไรเปล่งประกายอย่างมากดังนั้นมันจึงดึงดูดไปที่นกตัวหนึ่งนกน้อยตัวนั้นบินมาที่ม้วนกระดาษแล้วหยิบมันขึ้นไปด้วยกําไรมันบินไปทั่วราชอาณาจักรจนกระทั่งมันมาพักใกล้กับชายคนหนึ่งคนที่กําลังนั่งพักใต้ต้นไม้โอ้ สวัสดีเจ้านำอะไรมาด้วยล่ะนั่นน่ะกำไรงั้นเหรอมันเป็นตราสั ญ, ญลักษณ์ของราชานินา่นฮะแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเขาเป็นชายธรรมดาที่มีความซื่อสัตย์ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไปที่พระราชวังเพื่อส่งมอบมันเมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาก็รีบเข้าพบพระราชินีฟาบาตข้าข้าพบสิ่งนี้ตอนที่ข้าออกไปข้างนอกบางทีมันอาจจะมีความสําคัญมากข้าจึงนํามันมาให้ท่าน ขอบคุณท่านมากชายคนนั้นบอกลาและเขาก็จากไปราชินีอาลีนาเปิดอ่านจดหมายในทันทีแพ้สงครามเหรอเป็นเชลยอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่นะที่รักของข้าถูกขังไว้อยู่ในอาณาจักรอื่นโอ้ข้าจะทํายังไงดีถ้าข้าไปที่พระราชวังของอาณาจักรที่ชั่วร้ายเขาอาจจะจับข้าไปเป็นเชลออีกคนก็ได้แล้วจะมีใครที่ข้าเชื่อใจได้บ้างเลยเนี่ยทําไมโชคชะตาช่างเล่นตลกกับพวกเราได้เช่นนี้นะ ดังนั้นราชินีจึงวางแผนเพื่อช่วยเหลือคนรักของเธอจากราชาผู้ชั่วร้ายในคืนนั้นเธอตัดผมยาวสลวยของเธอและแต่งกายด้วยชุดคลุมสีเข้มเธ <s> <ๆ>อหยิบกลุยของเธอขึ้นมาและเร่งรีบออกจากวังไปราชินีอาลีนาเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมความหวังที่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในวันต่อไป เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเธอก็มาถึงยังราชาอาณาจักรของราชาผู้ชั่วร้ายเธอเข้าไปในพระราชวังเพื่อพบกับราชาและกะังวลใจเป็นอย่างมากเจ้าเป็นใครกนันแล้วทำไมถึงเข้ามาในอาณาจักรของข้าหวัด <c oughs> <c oughs> ดีฝ่าบาทข้าข้าข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าเป็นนักเดินทางที่ออกท่องเที่ยวเล่นกลุยในดินแดนต่างๆข้าได้ยินว่าท่านเป็นราชาผู้เอื้อยิ่งใหญ่ ข้าจึงตัดสินใจที่จะเล่นคุยในท่วงทํานองสําหรับท่านโอ้เจ้าคิดว่าท่วงทํานองของเจ้าจะดีพอสำหรับข้างั้นเหรอช่างนาขันสัจริงเได้โปรดให้ข้าเล่นสับปดเพลงเถอะนะเอ่อข้าสัญญาว่าท่านจะไม่เคยได้ยินบทเพลงที่ไหนงดงามเท่านี้มาก่อนเลยงั้นก็ลองดูถ้าเจ้าต้องการแต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนนะ ไอหนุ่มอ้อหากข้าไม่ชอบเพลงที่เจ้าเล่นข้าจะย้นเจ้าเข้าคุกให้ไปร่วมกับพวกนักโทษทั้งหมดของข้าราชินีอาริน่ามีความสุขมากที่สามารถหลอกล่อราชาผู้ชั่วร้ายได้สำเร็จเธอดึงขลุ่ยขึ้นมาและเริ่มบทเพลงที่มีท่วงทำนองที่งดงามราชาเริ่มประหลาดใจมากกับท่วงทำนองที่แสนงดงามในไม่ช้าเขาก็ลุ่มหลงในท่วงทำนองที่นุ่มนวล ทุกเมโลดี้ที่นิ้วของราชินีอารินาสร้างขึ้นเธอเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบบทเพลงว้าวช่างเป็นบทเพลงที่งดงามเจ้าพูดถูกข้าไม่เคยได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะเท่านี้มาก่อนในชีวิตข้าทำไมเจ้ามาอยู่ในพระราชวังของข้าเลยละ่ะแล้วคอยเล่นเพลงให้กับข้า ข้า ข, ข, ข, ข, ขอโทษด้วยนะฟาบาดเออแต่ว่าท่วงทํานองของข้างดงามก็เพราะว่าเพราะว่าข้าเดินทางม า, มามากมายสถานที่งดงามและแปลกตาทําให้ข้าสร้างบทเพลงที่ไพเราะได้ข้าเข้าใจที่เจ้าพูดนะถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการนางวันอะไรไหมราชินีอารีน่ายิ้มกับสิ่งนี้ในที่สุดเธอก็มีโอกาสแล้วเออฟาบาดเออท่านบอกกับข้าว่า ท่านมีนักโทษมากมายทําไมท่านไม่ให้พวกเขาสักคนร่วมออกเดินทางไปกับข้าข้าจะดีใจเป็นอย่างมากเลยแค่นี้เองเหรอข้าสามารถให้ทองหรืออัญมณีกับเจ้ายังได้เลยนะโอ้อไม่เป็นไรฟ้าบาทสิ่งที่ข้าขอมันมีค่ามากกว่าอัญมณีใดๆในโลกนี้แล้วล่ะท่านพระราชาสั่งให้นําตัวนักโทษของเขาออกมาไม่นานทั้งหมดก็ยืนเรียงกันต่อหน้าเธอเมื่อเธอเห็นสามีที่รักของเธอ เธอเกือบจะร้องไห้ออกมาราชาของข้าอะไรนะเออเออเออข้าข้า ข, ข้าพูดว่าเลือกเขาข้าขอเลือกชายคนนั้นเป็นผู้ร่วมทางกับข้าตามนั้นเลยเจ้าเอาเขาไปได้ราชินีอารีนาและราชาไบรอันได้ออกมาจากอาณาจักรแห่งนั้นพวกเขาเดินทางเป็นเวลากว่าหลายวันหลายคืนแต่ราชินีก็ไม่เคยเปิดเผยตัวเองเธอจะพูดด้วยเสียงโทนต่ำ และราชาก็ไม่เคยเอกใจเลยว่านั่นคือผู้หญิงที่เขารักเธอเล่นขลุ่ยเพื่อให้เขาฟังตลอดการเดินทางเพื่อจะกลับมายังอาณาจักรของพวกเขาราชาหลงรักท่วงทานองที่เธอเล่นโดยไม่เคยเบื่อเจ้าช่างเล่นได้ไพเราะมากเจ้ารู้ไหมข้าคือราชาในอาณาจักรข้างหน้านี้ให้ข้าตอบแทนเจ้าเถอะราชินีต้องการที่จะแย่สามีของเธอเล่นขำๆราชางั้ยเหรอหล่อข้าเล่นหรือเปล่าเนี่ยท่านไม่เห็นรูปงาม แล้วเสื้อผ้าท่านก็เหมือนกับเก็บมาจากกองขยะเจ้ากล้าด้ยังไงข้าเป็นถึงราชานะมาที่พระราชวังกับข้าสิแล้วเจ้าจะได้เห็นข้าแค่ล้อเล่นเองถ้าท่านเป็นราชาจริงก็ไปตามทางของท่านเถอะข้าจะออกเดินทางต่อบางทีเราอาจจะได้พบกันอีกอ้ตกลงแต่ว่ารู้ไว้ด้วยนะว่าข้าขอบคุณเจ้ามากทั้งสองกล่าวลากัน และราชาก็เดินทางเพื่อกลับไปยังอาณาจักรของเขาราชินีใช้ทางลัดเพื่อล่วงหน้าไปถึงก่อนราชาเธอเปลี่ยนชุดแต่งกายตามปกติและรอพบคนรักของเธอเมื่อราชาเข้าไปที่พระราชวังทุกๆคนในราชสำนักต่างกังวลเป็นอย่างมากพวกเขาเรียบวิ่งเข้าไปหาราชาฟาบา ท, ท่านหายไปไหนมาพวกเราเป็นห่วงท่านมากฟาบา ท่านโู่เหนื่อยมากเลยนะมาก่อนเถอฟาบาทให้พวกเราทาความสะอาดชุนให้กับท่านก่อนราชายิ้มและพูดคุยกับทุกคนแต่ไม่มองไปที่ราชนีของเขาเลยเขาคิดว่าเธอทรยศแก่เขาเขาไม่ได้สังเกตเห็นว่าผมของเธอสั้นลงนางทำแบบนี้กับข้าได้อย่างไงผู้หญิงคนเดียวที่ข้ารักมากนางไม่แม้แต่จะช่วยข้าเลย ราชินีพยายามที่จะพูดกับราชาแต่เขาหลีกเลี่ยงเธอตลอดเวลาราชินีเสียใจเป็นอย่างมากไม่นานเธอก็วางแผนบางอย่างวันต่อมาขณะที่ราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ในพระราชสำนักของเขาเขาได้ยินท่วงทานองที่คุ้นเคยมาก่อนทำนองอะไรกันเหมือนข้าจะเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนข้าเองฟาบาสข้ามาเยี่ยมท่านนะ่ะ ข้าดีใจมากที่ได้พบเจ้าแต่ว่าเจ้าเพิ่งจากข้าไปเมื่อวานเพื่อเดินทางรอบโลกไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเจ้าใช้เวลาน้อยจังท่านเป็นราชาจริงๆด้วยเสื้อผ้าของท่านดูเปื้อนน้อยกว่าครั้งก่อนที่ได้พบกันอีกนะทำไมเจ้ามาในเวลานี้ละ่ะก็ท่านบอกว่าจะให้รางวัลเกลีข้าไงข้าก็มารับรางวัลของข้าแล้วแน่นอนพ่อหนุ่มเจ้าต้องการสิ่งใดละ่ะทองคาความร่ารวย ลูกคลุยคริสตัลล่ะเคยเอ่ยมันมาแล้วมันจะเป็นของเจ้าเ อ, อ่อไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกับข้าเลยข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและมันก็คือท่านยังไงละ่ะเสียงเสียงนี่มันอาลีนาถอดชุดคลุมของเธอออกและเผยตัวกับไรอันเขาประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ไม่นานเขาก็รู้สึกละอายเกียใจทาไมเจ้าไม่ยอมบอกข้าว่าเป็นเจ้าเ อ, อ่อมันไม่สาคัญหรอกนะ ข้าแค่เล่นสนุกไปก็แค่นั่นเองเ อ, อ ข, ข้าขอโทษ ด, ด้วยนะที่ทำตัวแบบนั้นกับเจ้าข้ามีความสุขมากที่เจ้าช่วยข้าไว้ข้ารักเจ้ามากนะข้าก็รักเจ้าเช่นกันที่รักรู้เอาไว้นะเมื่อไร่ที่เจ้ามีปัญหาข้าจะคอยช่วยเหลือเจ้าอยู่เสมอ